แก้การไม่สงสัยอันนี้แก้แบบง่ายๆนีเองสงสัยเป็นนิวรณ น, นะถ้านิวรณตัวใดตัวหนึ่งเข้าสิงเวลานั้นสมาธิตกครับ